เรืงการภาวนาการพัฒนาจิตทำให้จิตเหนือสุขเหนือทุกข์ได้แล้วก็นี่แว่าเป็นเลิศแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะอาจารย์คะการที่เราจะทาทานหรือว่ารักษาศีลเนี่ยก็ดูไม่ยากเท่าไหร่นะคะและเป็นภาพที่เห็นได้ชัดๆเลยะคะ่ะทาทานก็คือเรามีอะไรก็แบ่งปันออกไปใช่ไหมคะรักษาศีลก็สมรวมกายวาจาใจของเราแต่การทาภาวนาเนี่ยคะ่ะ